เหตุผลของนักมนุษยิยาสาวยิ่งมีน้ำหนักช่วยให้คำตอบชัดเจนขึ้นจริงของคุณหญิงผมก็ลืมนึกถึงไปในข้อนี้ว่าแต่ในอุโมงค์ถ้ำบริเวณที่ก่อนจะผ่านปากเหวไอแหวงจะหลบซ่อนอยู่ได้ยังไงมันมืดได้อับทึบเหลือเกินชา ย, ยันยังสงสัยถ้าในเวลาปกติผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะซุ่มตัวอยู่ในบริเวณนั้นแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าไอแหวงเจ็บมากมันไปด้วยตัวของมันเองไม่ไหวแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหนทางผ่านปากเหวที่ร่อแหลมเช่นนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็ตามที่เราได้เห็นกันแล้วบริเวณนั้นเป็นคูหายแยกแยะออกไปมากมายกว้างขวางมากอาจมีปล่องอากาศจากก้นเหวที่ใดสักแห่งหนึ่งลงมาบรรจบอีกก็ได้เรายังตรวจกันไม่ทั่วบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นไอ้แหวงจะต้องใช้เป็นที่ซุ่มพักตัวได้อย่างสะดวกทีเดียวบริเวณนั้นอาจเป็นที่พักซุ่มซ่อนตัวของมันในยามฉุกเฉินที่มันเข้าไปหลบอยู่เป็นประจำก็ได้ พรานใหญ่บอกจันก็สอดมาว่าไม่ผิดหรอกครับเจ้านายต้องเป็นอย่างที่พรานใหญ่ว่าแน่ๆลูกโขงสองตัวนี้อาจออกมาหาอาหารให้จ่าโขงที่กําลังเจ็บซุ่มตัวอยู่ของมันก็ได้มันถึงไม่ได้พลากหนีไปไหนไกลปนเปียนอยู่ใกล้ปากถ้าตัวสุดท้ายที่ความหยุดริมเนินนี่ก็บอกท่าให้เห็นชัดนะว่ามันพยายามจะวิ่งหนีย้อนกลับเข้าไปในถ้าอีกพยาของมันจะต้องหลบอยู่ในถ้านั่นเอง ไม่งั้นมันจะพยายามย้อนกลับเข้าไปอีกทำไมถ้างั้งงนกะนับว่าเราโชคดีมากที่มาประทกักระกไอ้สองตัวนี้ิ ก, ก่อนและอ่านความจริงได้ทันการดีที่ไม่เดินหลงตามงมโขงไปทางอื่นถ้าพลาดหัวเลี้ยวหัวต่อตอนนี้เราก็เย็นใจงมกันเหนื่อยเปล่าอีกร้ายวันทีเดียวดีไม่ดีไม่มีโอกาสเห็นเงาไอ้แหวงอีกแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ครางออกมาแล้วหันมาทางพรานใหญ่พยักหน้าชวน ไปย้อนกลับเข้าถา้ำเอาตัวไอ้ผู้ร้ายสำคัญให้อยู่มือวันนี้แหละและ้วผินนิ่งไปอีกครั้งด้วยความคิดหนักหน่หนวงเขากำลังช่างใจในบางสิ่งบางอย่างดาดินก็เอ่ยมาช้าๆอย่างกังวลว่าว่าแต่ไอ้แหวงจะยังหลบอยู่ในถ้ำนั่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ระหว่างที่เราโผ่ออกมาทางด้านหุบหมาหอนี่มันอาจย้อนทางหนีกลับออกไปทางปากถา้ำด้านป่านอกแล้วก็ได้ชยันสันศีษะ ถ้าข้อสันนิษฐานของเราทั้งหมดนี้ถูกต้องก็เชื่อได้แน่ว่าไอ้แหว่งไม่มีทางที่จะย้อนกลับออกไปทางปากถ้ำด้านนู้นลองคิดดูถ้ามันยังมีแรงพอที่จะย้อนกลับออกไปได้มันก็น่าจะเดินผ่านอุโมงค์ทะลุกออกมาทางด้านนี้พร้อมกับลูกโขลงของมันแล้วน่าจะเป็นอย่างคุณชัยยันว่าครับรับพิดดงความเห็นมาอีกคนแนหน้าขึ้นสํารวจอากาศและเลือบไปที่นาฬิกาข้อมือของอดีตนายทหารปืนใหญ่ มันยังเหลือเวลาอีกอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงก่อนจะเที่ยงเป็นอันว่าเราจะบุกเข้าไปค้นมันในถ้าอีกคุณชายยันกับคุณหญิงพร้อมไหมครับผมน่ะพร้อมเสมอแหวนแต่ น, น้อยเถอะนอกพื้นเมื่อกี้นี้เขายัางชั่วดีหรือยอังถ้าอย่างไงแล้วก็พักสักอีกสักชั่วโมงก็ได้ดาดินเยี่ยวดัดคอไปมาแล้วยิ้มอย่างทระหดตาเป็นประกายวาวบอกมาอย่างหนักแน่นว่าไม่ต้องห่วง ฉันเรียบร้อยดีแล้วล่ะอย่าเสียเวลาเลยเรัฐพินพปยักหน้าเป็นความหมายกับทุกคนและออกเดินนำผ่านซากช้างตนนั้นตายเนินกลับขึ้นไปสู่ปากถ้าที่ออกมาเมื่อสักครู่นี้ภายหลังจากสำรวจตะเตรียมกันพร้อมแง่ซายก็คว้าเชือกขึ้นมาผูกเอวอีกครั้งแต่รัฐพินหลี่ตาคิดเราจะย้อนรอยกลับเข้าไปตามเส้นทางเดิมจนกระทั่งถึงตำแหน่งรอยเลือดครั้งสุดท้ายของไอแวง เขาพูดอย่างใคร่กลวนนอกจากบริเวณเหวที่เราผ่านมาแล้วตอนอื่นๆมีเหวอีกไหมไงทรา ย, ายจากปากถ้ำด้านนี้เข้าไปจนกระทั่งถึงบริเวณเหวที่เราผ่านมาเป็นทางเดินสะดวกแต่เมื่อผ่านเหวตอนนั้นแล้วและไปถึงตรงที่รอยเลือดครั้งสุดท้ายของไอ้แวงหากเราพยายามค้นโดยเดินแยกไปทางอื่นบางแห่งก็มีเหวบางแห่งก็ไม่มีถ้างั้นแกเก็บเชือกนั้นไว้ก่อน เราจะผูกเอวติดกันอีกครั้งก็ต่อเมื่อถึงบริเวณตอนนั้นขณะนี้ยังไม่จําเป็นแกนําไปให้ดีก็แล้วกันแง่สายส า, ยสาวไปเชือกตวัดใส่ไว้นิย่ามหลังโดยมีปลายข้างหนึ่งมัดค้างติดกับเอวไว้พรานใหญ่หันมาทางในจ้างทั้งสองยิ้มให้ครั้งหนึ่งพูดแผ่วต่ําว่าหวังว่าผมคงไม่ต้องเตือนอีกแล้วนะครับการเผชิญหน้ากับไอ้แหวนครั้งนี้เป็นครั้งที่เสี่ยงอันตรายที่สุดยิ่งกว่าครั้งใดๆทั้งสิน้น ถ้าเราประจันกับมันในป่าข้างนอกก็ไม่ไกลนักแต่นี่ภูมิประเทศเป็นอุโมงค์ถ้ำอันแคบจำกัดและมืดเราไม่รู้ได้ว่ามันหลบซ่อนบางเงาอยู่ตรงไหนแน่นอกจากจะคลาสุ่มสี่ซุ่มห้าเข้าไประยะที่จะพบหมายถึงชิดตัวกันทีเดียวและพวกเราก็ต้องย่องตามกันเข้าไปเป็นขบวนโดยมีเชือกร้อยผูกเอวไว้สี่อีกด้วยทั้งเจดชีวิตพวกเรานี่จะกลายเป็นชีวิตเดียวกันหมดถ้าเราเป็นฝ่ายพลาดก็หมายกุว่า เราตายกันหมดทั้งเจ็ดคนชายยานแยกเคี้ยวยิ้มตบไหล่พานใหญ่หนักห่วงแล้วบีบแน่นผมกับน้อยเข้าใจดีแล้วพินถ้ากระสุนนัดแรกที่ระเบิดขึ้นในถ้ำนั่นไม่สามารถล้มไอ้แหว่งได้อย่างฉับพลันพวกเราเจ็ดคนก็แหลกไปพร้อมๆกันแต่ก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเหตุการณ์มันบังคับและท้าทายเราเหลือเกินนี่มันเป็นวาระสุดท้ายแล้วที่จะชี้ขาดว่าระหว่างเรากับไอแหวงใครจะอยู่ใครจะไปกล่าวจบ นักผจญภัยหนุ่มชาวกลุ่มก็ก้มลงมองดูจด6 0หกนในโตดับเบิลไรเฟิลในมือเดาะขึ้นลงอยู่สองสาครั้งก็ยื่นส่งมาให้รล้พีนกล่าวเสียงหนักๆต่อมาว่าศึกไอ้แหว่งถ้าเกิดขึ้นในป่าข้างนอกปืนทุกกระบอกล้วนมีโอกาสาที่จะใช้งานได้ทั้งสิน้นแต่ในถ้ำใต้ภูเขาที่เรากําลังจะบุกเข้าไปนี่มันมีอยู่เพียงกระบอกเดียวเท่านั้นที่จะใช้ได้คือกระบอกที่จะลั่นขึ้นเป็นนัดแรกและนัดสุดท้ายเพื่อตัดสินทุกอย่าง พวกเราคนอื่นๆร้วนเดินตามหลังคุณกับแง่ทายไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะประจันหน้ากับมันเป็นคนแรกและได้โอกาสนี้ก็คือคุณหรือแง่ายกระสุนที่จะชี้โชคชะตาระหว่างฝ่ายเรากับมันควรจะเป็นกระสุนที่ประกาศสิทธิ์เฉียบขาดที่สุดเท่าที่เรามีอยู่อ้าวผู้กองคุณเปลี่ยนจุด458หแปกระบอกนั้นมาให้ผมเสียเถอะและเอาไอ้นี่ไปแทนสองนัดที่อยู่ในรากล้องซ้ายขวานี่หมายถึงชีวิตของพวกเราทั้ง7คนเป็นเดิมพัน ซึ่งฝากไว้ในมือของคุณคนเดียวจอมพลานช่างใจเพียงวิบตาเดียวก็รับไรเฟิลแฟดขนาดใหญ่ที่สุดมาจากชา ย, ยันทันทีโดยเปลี่ยนของเขาไปให้เขาเห็นด้วยกับเหตุผลข้อตัดสินใจของอดีตนายทหารปืนใหญ่ซึ่งอยู่ในหลักการที่ถูกต้องแน่นอนที่สุดในภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนี้กระสุนนัดเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเขาก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่า จะมีโอกาสทันได้ระเบิดกระสุนนัดนี้หรือไม่โดยไม่ลืมจะหักลำกล้องออกตัวดูกระสุนที่บรรจุอยู่ทั้งสองนัดเพื่อความแน่ใจอีกครั้งแล้วปินหักกลําคืนเข้าที่แล้วตบหลังแง่ทรายออกคําสั่งให้เริ่มนําประสาทของทุกคนบาดนี้ขมหม็งเกลียวเครียดหนักเสียยิ่งกว่าเมื่อขาที่เดินผ่านออกมาเที่ยวแรกไม่มีใครอ่านความรู้สึกนิคคิดของใครถูกท่ามกลางความเงียบสงัดที่มีแต่เสียงฝีเท้าที่ย่องกลิบเข้าไปในความอัด ทึบของโรงถ้ำและเสียงลมหายใจหนักๆของแต่ละคนการเดินย้อนรอยอยู่ในรูปเดิมเหมือนเมื่อขาเข้ามาแง่าสายนำไปเบื้องหน้าถัดมาก็รพินดารินชัยยันและพ่านพื้นเมืองอีกสามคนตามลำดับไม่มีใครเอ่ยคำใดออกมาอีกเลยก่อนจะถึงบริเวณที่เต็มไปด้วยหู เ, เหวตรงที่ผ่านกันมาแล้วแง่าสายเตือนให้ทุกคนผูกเอวไว้อีกครั้ง พอเรียบร้อยก็เคลื่อนหน้ากันต่อไปอย่างลำบากยากเย็นแต่ก็ยังดีกว่าขามาเพราะต่างพอจะรู้ทิศทางอยู่บ้างแล้วไม่มีใครพลาดหลุดลงไปแขวนอยู่ขอบเหวอีกพ้นจากบริเวณเหวก็บรรลุถึงปลักสะไคที่เดิมอันเป็นตำแหน่งที่รอยเลือดของไอแหว่งขาดหายไปพรานใหญ่สืบเท้าก็าไปชิดแงทรายซุบซิบหาหรือกันแผ่วเบาพร้อมกับส่องไฟสารวจดูบริเวณนั้นอย่างถี่ถ้วนชั่วขณะหนึ่ง กระเรียงร่างยักษ์ก็ออกเดินนําแยกไปทางซอกซ้ายมือด้านที่เคยนําเดินไปก่อนแล้วเมื่อเที่ยวขามาทุกคนใช้ิดฉายส่อกลาดสํารวจไปมาอย่างระมัดระวังอึดใจเดียวก็มาถึงตรงบริเวณที่แหงสายหันหลังกลับเมื่อครั้งแรกจากกลำไฟฉายที่พวยพุ่งออกไปทุกคนเห็นปากทางแคบๆตอนหนึ่งปรากฏอยู่ในระหว่างหรือผินตีมผนังมองผาดผาดว่ามันเป็นช่องทางแคบเล็กนิดเดียวแต่เมื่อเคลื่อนเข้ามาใกล้ ผ้นหลืบหินที่บังอยู่ก็มองเห็นเป็นโพรงลึกขนาดกว้างพอที่ช้างใหญ่จะผ่านไปได้คลือๆตัวดารินผู้ติดอยู่เบื้องหลังของพรานใหญ่แทบจะร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นเมื่อมองเห็นพื้นบริเวณปากทางด้านนั้นมีรอยของตะไคร่น้ําซึ่งติดกับเท้าช้างปรากฏอยู่เอื้อมมือไปข้างหลังกระชากแขนชายานโดยแรงนายพันตรีนอกราชการเบียดแทรกเข้ามาแล้วยืนคนลุกชันทุกคนหันมาจ้องหน้ากัน ในความมืดอันคุมเคลือนั้นอยู่อึดใจหนึ่งโดยไม่ได้ปิด ป, ปากคำใดหัวใจเต้นแรงอย่างเงียบกลิบที่สุดแง่ า, ายจะหดฝีเท้านำหน้าแถวไปรัพินส่งไฟฉายในมือของเขาไปให้ดาลินช่วยถืออีกกระบอกหนึ่งสองมือกระชับไรเฟิลพร้อมทิ้งระยะห่างจากแง่ า, ายออกมาพอที่จะวาดปากกระบอกปืนได้โดยไม่ติดพุ่งสายตาตามแสงไฟฉายที่อีกหลายคนช่วยกันส่องกลาดอยู่ไปมานั้น ตามไม่กระพริบผ่านปากทางไปตามซอกุูหาแนวตรงราวกับมีใครมาเจาะไว้นั้นเข้าไปประมาณ30สิบรา้ก็ทะลุออกในส่วนที่กว้างขึ้นเล็กน้อยอากาศในถ้าที่เย็นเยือกมาโดยตลอดบัดนี้เริ่มอบอ้าวขึ้นไอระอุชนิดหนึ่งโชวยวูบวาบเข้ามาสัมผัสร่างกายเหมือนลมที่พัดผ่านเตาเผาเหงื่อของทุกคนเริ่มซึมมันร้อนอ้าวขึ้นทุกขณะเมื่อรุดหน้าเข้าไป รอยตะค่ายอันเป็นเครื่องนําทางนั้นปรากฏให้เห็นเป็นครั้งคราวและเบาบางลงเป็นลําดับต่อมาก็ได้ยินเสียงอะไรชนิดหนึ่งดังปุดๆอยู่เป็นระยะเหมือนวัตถุเหลวข้นที่เดือดอยู่ในกระทะจากแสงฝ่ายที่สองออกไปมีม่านควันขาวมัวเหมือนหมอกลอยอยู่ตรบอบอวลควันเหล่านั้นเริ่มหนาแน่นขึ้นทุกทีและเสียงเดือดปุดๆนั้นก็ยิ่งได้ยินถนัดอากาศข้นหนักนึกแล้ว ทางไปนรกสันดาปแน่ๆดาลินกระซิปกับชายยันเบาที่สุดเพื่อนชายสาวท้าขึ้นมาประชิดคอยประคองหลอนไว้กลิ่นฉุนเหมือนกรรมฐ า, านป ก, ปกคลุมไปทั่วจนแทบจะหายใจไม่ออกออกซิเจนลดน้อยลงเป็นลําดับแต่แง่าสายยังคงนํารุดหน้าไปราวกับผุ่นทองแดงที่ปราศจากชีวิต จ, จิตใจระพินเองแม้จะทรหดสักเพียงใดก็ตามบัดนี้เขาก็อยู่ในอาการกระสับกระส่ายไม่ผิดไปกับคนอื่นๆโดยไม่อาจคเนได้ว่า หนทางเบื้องหน้ามีอะไรรอคอยอยู่เกิดกับเซยเริ่มสำลักเบาๆทุกคนวิงเวียนและรู้สึกอ่อนเปลี้ยหมดแรงลงโดยเฉพาะดารินหล่อนส่วนเซจะล้มลงหลายครั้งหากแต่ชายยันคว้าพยุงไว้ได้เอถ้ามันจะไม่ชอบกลืนเส้นามั้งละพินกระทะทองแดงคอยเราอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ชายยันร้องออกมาเบาๆพานใหญ่เหนียวไหลเงียทรายไว ใช้สายตาเป็นคำถามก็เห็นนักพเนจรชาวโดวงผู้ทำหน้าที่เป็นมัค ก, กุเทศยิงฝันขาวไอ้แหว่งไปทางนี้แน่ผู้กองเรากำลังจะไม่มีอากาศหายใจและไอควันนโลกนี้ก็แทบจะทำให้หมดแรงอยู่แล้วข้างหน้ามีอะไรควันแล้วก็กลิ่นกรรมถันเหล่านี้มาจากไหนบ่อคโครนเดือดอยู่ห่างจากเราไปข้างหน้านี้ไม่ไกลนักเป็นคำตอบพูนด้วนพร้อมกับรอยยิ้มเช่นเดิมเราจะผ่านกันไปได้หรือ มีทางเรียบชิดผนังถ้ำกว้างสองวาให้เดินผ่านไปได้ทางเรียบเดินสบายแต่ร้อนมากหน่อยไอ้แหว่งผ่านได้เราก็ผ่านได้นั่นเป็นคำตอบที่ไม่จำเป็นต้องซักถามอะไรอีกแล้วมันควรจะเป็นอย่างเจ้าหนุ่มแง่สายพูดลงท่าช้างอันเป็นสัตว์เลือดอุ่นสามารถจะเดินผ่านไปได้มนุษย์ก็น่าจะผ่านไปได้เช่นเดียวกันคุณชยยันกับคุณหญิงทนไหวไหมครับ ถ้ายัางไงแล้วก็ถอยไปพักรออยู่ที่ปากทางก่อนก็ได้ผมจะให้เกิดจันและเสรยรออยู่ด้วยผมกับแงซายจะเข้าไปเพียงสองคนเขาหันมากระซิบถามอย่างความเห็นน้อยไหวไหมชัยญานหันไปถามดาลินด้วยความเป็นห่วงท่ามกลางควันที่ลอยขาวมัวอยู่รอบด้านมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันลงนรกขุมไหนก็ให้มันรู้ไปนั่นเป็นคาตอบอย่างเด็ดเดี่ยวที่สุดจากนักมนุษยยาสกสวย อดทนหน่อยนะครับผมเชื่อว่ามันคงไม่ถึงกับมีอะไรร้ายแรงนักข้างหน้าเรามีบ่อโครนเดือดผ่านตรงนั้นไปอากาศคงดีขึ้นพยายามเดินซ้ํารอยผมทุกก้าวอย่าแยกห่างออกไปขบวนเคลื่อนต่อไปอึดใจใหญ่หลังจากนั้นทั้งหมดก็เดินเลียบผนังท่ามเฉียดผ่านบริเวณปลักเลนที่กําลังเดือดเป็นพรายพลักๆอยู่เสียงปราดที่ได้ยินเป็นเสียงของเลนที่ปะทุเดือดอยู่ในปลักนี่เอง มันถูกความร้อนระอุจากเบื้องล่างดันโป่งนูนขึ้นมาแล้วก็แตกประทะขึ้นลูกแล้วลูกเล่าเหมือนจะไม่มีวันจบสิน้นส่งควันกรูลเหมือนของเหลวเขียวอยู่ในกระทะกลิ่นกรมะถนไหมระเหยออกมาพร้อมกับหมอกควันเหล่านั้นจนแทบสำลักทุกคนไม่มีเวลาพอที่จะหันไปพิจารณามันและไม่อยากจะคิดคำนึงด้วยว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรจึงมีแหล่งบ่อโคลนเดือดอยู่ในถ้ำลึกใต้ภูเขาแห่งนี้ เพียงสายตาชั่วเหลือบในขณะที่กราดไฟฉายผ่านไปก็เสียวู้บังเกิดความหวาดสยองมันเสียยิ่งกว่าเหวใต้บาดาลที่ผ่านกันมาแล้วเสียอีกแง่ท า, ายนําผ่านไปอย่างรวดเร็วด้วยฝีเท้าอันหนักแน่นมั่นคงเหมือนเดิมประดุดเรือนําร่องครู่เดียวก็ทิ้งตักเอเวจีนั้นไว้เบื้องหลังม่านหมอกควันค่อยบางลงอากาศหายใจสะดวกขึ้นในที่สุดก็เห็นแสงรําไรอยู่ยังปากขนทางเบื้องหน้าไม่ห่างออกไปนักไม่มีปัญหา นั่นคือส่วนของบริเวณก้นเหวตอนใดตอนหนึ่งที่ลงมาบรรจบกับอุโมงค์เบื้องล่างอากาศโปรง่งสดชื่นขึ้นทุกทีเมื่อคืบใกล้เข้ามาครั้นแล้วทันทีที่มุ่งเข้ามาสู่แสงสรวอันสันนิษฐานว่าเป็นแสงที่ส่องรอดลงมาจากปากเหวเบื้องบนนั่นเองโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยทั้งหมดก็โผล่เข้ามาสู่เวิร์อันกว้างใหญ่ตอนหนึ่งในเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ เพดานสูงเงือมในลนะักษณะกระทะครอบเต็มไปด้วยแก่งโขดหินกระทบกับแสงไฟฉายเป็นประกายเรื่อมภายทุกคนช่วยกันเอาไฟฉายสองกล่าวสำรวจไปรอบด้านทันใดนั่นเองจันผู้อยู่ท้ายขบวนก็ร้องเฮลออกมาสุดเสียงอย่างตกใจขีดสุดไฟที่ถือในมือหลุดลงกับพื้นผะงะหลังมาปะทะเกิดกับเสยพากันหกล้มกลิ้งลงและเพียนหันขวากมาแต่เขาหมุนมายังไม่ทันครบรอบ ถ้าไม่ใช่ดารินก็คงเป็นชายยันถอยมาประท่าเขาเต็มแรงเสียหลักหงายหลังอีกคนสายเชือกที่ผูกเอวกันไว้พลอยกระชากให้แงะสายขมำหน้าหลกด้วยทั้งเจคนล้มลุกประท่ากันชุนรมูลไฟฉายก็เดนหุดจากมือไม่รู้เหนือรู้ใต้ท่ามกลางเสียงร้องลั่นไม่เป็นภาษาขอ ง, าาของพรานพื้นเมืองทั้งสาคนวินาทีของหัวใจอันแทบจะหยุดเต้นนี้แล้วพินไัยวันสำเนีจอตนเองว่านอนหงายอยู่กับพื้นรอบด้านมืดมิดไปหมด ไรเฟ่อยังคงกระชับมั่นอยู่ในมือทั้งสองของเขาความสว่างอันส่องจ้าออกไปลายกลางถ้ำในรกนี้มาจากไฟฉ า, ายของใครคนหนึ่งที่ร่นอยู่กับพื้นและเปิดค้างอยู่มันส่องจับไปยังสิ่งหนึ่งอย่างถนัดตาสะท้อนภาพเข้ามาในจักสุ ป, ประสาทอันตรุงของเขาและทันทีที่เห็นประสาททุกส่วนดูเหมือนว่าจะกลายเป็นอมาภ่าไปหมดความขาวโพลนเป็นประกายยามมอกระทบะปล้ำไฟคือแท่งงาอันมหึมมางอนแหลม เจ้าของร่างยักษ์ปากหลนราวกับสัตว์ยุคดึกดำบันนั้นยืนต ง, งาอยู่ในซอกโขดหินริมปากทางที่ทุกคนโผล่ผ่านเข้ามานั่นเองหูใหญ่กลางผึ่งหัวขนาดต่มสามโคกก้มต่ำลงเล็กน้อยดูราวกับว่าเตรียมจะพุ่งงาลงมาใส่ไอแหวนพญาก็จะสารร้ายยืนทมืนค้ำอยู่เหนือร่างของกลุม่มนุษย์ที่กาลังล้มกลิ้งอยู่ในขณะนี้ห่างเพียงไม่กี่วาเท่านั้น เหมือนตกอยู่ในความฝันผีอัมแล้วพีนงัดเสยปากกระบอก1 600ในโตขึ้นทั้งๆ ท, ที่ยังนอนหงายอยู่จังหวะที่ปากกระบอกยกขึ้นจ้องไปทางศรีรษะนั้นเขารู้สึกเหมือนตกว่ามันเชื่องช้าราวกับร้อยปีก็ไม่ปานและมีอํานาจรีรับอะไรชนิดหนึ่งมาต่อต้านขัดขวางไว้นิ้วของเขาแตะอยู่ที่ไก่แต่คุณพระช่วยนิ้วของเขาเช่ไหนจึงแข็งไปหมดมันไม่ยอมกระดิจกจักระพัฒแห่งช้างป่า คงยืนชะเงือมสนิทนิ่งอยู่เช่นนั้นฝ่ายมนุษย์ที่ร้มความกำมังงายก็ดูเหมือนจะหยุดรมหายใจกันไปชั่วขณะเบิกตาโป่งจ้างนิ่งไปยังภาพนั้นราวกับถูกสะกดเสี้ยววินาทีต่อมาสติสัมปชัญญะก็กลับคืนมาสู่ระพินโดยครบท่วนเขาคอมเมนจ้องร่างอันใหญ่โตมโหฬาร น, นั้นตาไม่กระพริบประทับปืนมัน่นค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นยืนอย่างเตรียมพร้อม นิ้วชี้ที่แตะอยู่กับไกปืนของเขาบัดนี้มีความรู้สึกแล้วมันพร้อมที่จะกระดิกส่งกระสุนไปที่ศีรษะใหญ่นั้นได้ทุกขณะแต่เขารั้งไว้เองเพราะความสนเทใจบางอย่างงวงของมันห้อยตกเป็นเส้นตรงตั้งฉากกับพื้นไม่ได้เคลื่อนไหวแม้แต่สักนิดและในขณะนี้เขาลุกขึ้นเต็มส่วนสั์ของร่างกายแล้วพยาคตก็ยังไม่ติ่งกาย ดวงตาทั้งสองเบิกโพรงจ้องนิ่งสวนนำไฟมายังมนุษย์ราวกับแก้วสะท้อนแสงชายยันกระดิกตัวได้เป็นคนต่อมาคว้าไหล่เฟื้นที่ตกอยู่ขึ้นมาอย่างตรีตลานแต่ละพินตะคุบมือไว้หมดความจาเป็นเสียแล้วครับไอแหวนของเราสิ้นแล้วท่ามกลางความตึงพลึงเพิดของทุกคนละพินลดปืนในมือลงอย่างเช่มช้าหลับตาพร้อมกับถอนหายใจเชื่อง และยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นต่อมาทุกคนก็คลวดพลาดลุกขึ้นมาด้วยกลิ่นอายของความงงงวยหรือที่จะกล่าวแน่ใจหรือว่ามันตายแล้วชายันร้องออกมาไม่ยอมลดปืนแล้วปีนเดินเข้าไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าพยาคจรสสารเธออ้อมเอื้อมือไปแตะที่ปลายนาทางหันหน้ากลับมาอย่างทุกคนผู้ยังไม่สั่งจากตรึงงงครับตายแล้วยืนตายสงา่าอยู่ในสุสานของมันแห่งนี้อย่างสมศักดิ์ศรี ความเป็นราชาแห่งช้างทั้งหลายของมันสมมุติว่าถ้ามันยังไม่ตายและยืนคอยอยู่ตรงนี้เราก็ตายกันหมดแล้วทั้งเจ็ดคนทุกคนจ้องภาพนั้นเงียบงานประหนึ่งถูกสาบให้เป็นหินไปอีกครู่ใหญ่เกินความคิดฝันในที่สุดเสียงดาลินก็หลุดออกมาสั่นเครือนี่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดมันไปยังไงมายังไงกันนี่จากการสารวจอย่างละเอียดที่สุด พบว่ากระสุน300 m a g น u m นัดหนึ่งเจาะเป็นมุมทแยง45องศาจากท้องด้านซ้ายทะลุออกชายโครงขวาในตำแหน่งรักแร้แดงทางเข้าของกระสุนเล็กนิดเดียวแทบจะมองไม่เห็นเพราะรอยย่นของหนังปิดไว้แต่ทางออกปากแผลขนาดลูกมะนาวมีคราบตะไข้ขนะ้ำปิดปากแผลเอาไว้เหมือนจะเป็นการห้ามเลือดแต่ถึงเช่นนั้นก็ยังมีเลือดไหลซึมเกลอกลางเป็นสีดาคล้าใต้ท้อง ตำแหน่งที่มันยืนพิงขัดอยู่ในระหว่างซส้าหินมีเลือดหยดอยู่อีกกองหนึ่งและนั่นเป็นเลือดจำนวนสุดท้ายก่อนที่ชีวิตของมันจะปิดโปรงจากล่างไอ้แหวงดักชีบมาแล้วกว่า6ชั่วโมงซึ่งคงจะเป็นเวลากลางดึกของเมื่อคืนนี้เองแล้วผีหันมามองดูหน้าทุกคนในคณะและในที่สุดก็จับนิ่งอยู่ที่นักมนุษยวิทยาคนสวยผู้กำลังยืนงนันเหมือนจะไม่เชื่อในสายตาจากภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ผมและพวกเราทุกคนภูมิใจแทนให้แก่คุณชายเชษฐาครับในข้อที่ว่าน้องสาวของคุณชายได้ปฏิญาณไว้ว่าจะแก้แค้นให้แก่พี่ชายและในที่สุดเธอผู้นั้นก็ทำได้เหมือนเช่นที่พูดจริงๆหมายความว่ายัางไงกันดาดินร้องล่านออกมาลืมตากว้างก็หมายความว่าคุณหญิงดับไอแหวงได้มือเองแท้ๆโดยที่คุณหญิงก็ไม่รู้ตัวและคงไม่เชื่อมา ก, ก่อน อย่าประหลาดใจเลยครับกระสุนที่ปิดชีพมันเป็นกระสุนเพียงนัดเดียวเท่านั้นคือจุด30มเอเธอร์บีแมกนัม e um ที่คุณหญิงหลับตายยิงเมื่อบ่ายวานนี้ขณะที่มันงัดผมลอยขึ้นไปราชสกุลสาวกายสั่นเทายกมือทั้งสองขึ้นวางไว้บนอกกำแน่นสั่นหน้าอยู่ไปมาโอ้ไม่จริงเป็นไปไม่ได้หล่อนร้องลั่นออกมาแทบไม่เป็นภาษาชายยานก้าวเข้าไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าจับไหล่ทั้งสองของเพื่อนสาวไว้ น้อยแล้วผินไม่ได้หลอกเธอหลอกมันเป็นความจริงไอ้แหวงดับลงด้วยกระสุนที่เธอยิงส่งเดชนัดนั้นแหละมันเป็นกระสุนนัดชะกันทีเดียวหลักฐานก็เห็นอยู่นี่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ล้มทันทีอยู่กับที่เท่านั้นมันพร่หนีมาได้แล้วซ่อดซอนมันหลบยืนตายอยู่ที่นี่เพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเบริวารของมันสองตัวช่วยกันประคองมันเข้ามาไว้ในนี้ถ้าเราไม่ตามมันมาจนกระทั่งพบตัวขาหนังขาเข่าเช่นนี้เราก็จะไม่รู้เลยว่ามันตายเสียแล้ว หญิงสาวเดินเข้าไปพิจารณาซ่าของไอ้แหว่งจนใกล้พึมพำอะไรอยู่ในลำคอฟังไม่ได้สับกัดริมฝีปากแน่นลูบคำอยู่ที่ปลายงางามนั้นแล้วหันมาโผลเขากอดชายยันแนบแน่นน้ำตาไหลซึมด้วยความตื่นตันใจเหลือที่จะกล่าวพูดอะไรไม่ออกไม่เพียงแต่หล่อนเท่านั้นทุกคนก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันมันเปรียบไม่ผิดอะไรกับยกภูเขาออกจากอกผมนึกว่าตายแล้ว ตอนที่ศาตร์ไฟไปพบมันเข้าจาังหน้าห่างแค่สองวาจันทร์เอ่ยขึ้นในระหว่างที่บรรยากาศอันตึงเครียดพี่คลายลงและทุกคนนั่งพักสนทนากันอย่างแช่มชื่นจันทร์เป็นคนแรกที่ศาสตร์ไปไปพบและตกใจหงายหลังพึงพลอยพาให้ทุกคนคณะล้มลุกคุกคลานกันไปหมดดารินใช้เวลาอยู่นานกว่าจะสงบสติอารมณ์และยอมเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นบัดนี้หล่อนเดินไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าจอมพราน จูงมือแงซายเข้ามาด้วยพูดขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกฉันขอขอบใจพรานใหญ่ที่นำเราตามจนได้ตัวมันขอบใจแงซ า, ายสำหรับการนำทางและขอบใจพวกเราทุกคนที่ร่วมคณะมาในครั้งนี้ฉันเองเป็นแต่เพียงส่วนประกอบอันปีกย่อยที่สุดและดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคเสียด้วยซ้าในการร่าไอแหวงครั้งนี้ การพิชิตไอแหวงลงได้คราวนี้เป็นฝีมือของพรานใหญ่กับแง่สายสองคนเท่านั้นและขอโทษอีกครั้งถ้าฉันทำอะไรผิดไปบ้างในระหว่างที่ร่วมคณะมาด้วยจอมพรานหัวเราะเบาๆกม้มศีรษะลงคำนับให้แกร่รอนตอบเรียบเรียบขอบคุณครับที่กรุณายกย่องให้เกียรติผมในข้อนี้แต่เดี๋ยวนี้มันก็พิสูจน์ชัดออกมาแล้วว่าคุณหญิงเป็นมือพิชิตที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งในคณะของเรา โดยที่ผมเองก็คาดไปไม่ถึงใครจะนึกว่าสัตว์ ร, ร้ายอันตรายระบือชื่อกระชอนไปหมดอย่างไอ้มหิงสาตัวนั้นและไอ้แหว่งของเราตัวนี้จะพดจุดดับลงด้วยฝีมือของนายพรานสาวสมัครเล่นทั้งสองตัวผมขอน้อมคำนับให้แก่คุณหญิงได้ใจจริงคุณชายได้ทราบข่าวนี้คงจะถึงกับตะลึงและข่าวนี้กระจายไปถึงไหนก็จะต้องลือกระชอนไปถึงนั่นอาจเป็นข่าวของโลกชิ้นหนึ่งก็ได้ พรานอาชีพทั่วโลกจะพิสวง์กันไปหมดและยอมรับนับถือคุณหญิงจัดทำเนียมให้เข้าอยู่ในขั้นพรานใหญ่ทีเดียวเหตุการณ์ที่เกิดจากความฟุกมันไม่ทำให้ฉันภาคภูมิในตนเองถึงขนาดไหนหรอกดารินพูดด้วยอาการสงบปราศจากความยินดีนยินร้ายในคำพูดของเขาตัวฉันเองคุณหรือพวกเราทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของความบังเอิญเท่านั้นไม่ใช่ฝีมือเลยสักนิด เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่คุณหรือใครจะต้องสรรเสริญยกย่องฉันสิ่งสําคัญที่สุดก็คือพวกเราทั้งหมดสา ม, มารถ ก, กําจัดไอแหวงลงได้สําเร็จในกุป ค, ความปราบเพลิมยินดีไม่เพียงแต่พวกเราเท่านั้นแต่พวกชาวป่าทุกคนที่ท่องเที่ยวหากินอยู่ในโดงแถบนี้ทั้งหมดด้วยที่จะพลอยอนุโมทนาสาธุเราได้ทําอย่างที่ได้รับปากได้ประกาศกับพวกเขาไว้แล้วสมตามคําพูดฉันดีใจที่สุดดีใจจนไม่รู้จะกล่าวอย่างไรถูก ไม่ใช่ดีใจในข้อที่ว่าไอแ้แหวงตายด้วยกระสุนของฉันแต่ดีใจว่าเรากําจัดมันได้สําเร็จแล้วภายหลังจากติดตามมันมาด้วยความยากลําบากแทบเปลือยตากระเด็นเป็นเวลานานหมดเปลืองทั้งเวลาชีวิตคนและสิ่งของและแม้กระทั่งบุตรบุตจะเสียชีวิตของพี่ชายฉันเองไปเพราะฤทธิเดชอภินิหารของมันแล้วหล่อนก็เดินแช่มช้าเข้าไปที่สร้างอันยืนต่างานหมดโรมปานแต่ยังเปลี่ยมไปด้วยสง่าราศี ชาติเขาจะสารของไอ้แหวงยิ้มให้ซากนั้นเศร้าๆยกมือขึ้นรูปแผ่วเบาอยู่ที่ปลายงาน้าตาคลอพึมพำเบาๆกับซากของมันอโหสิหมดสิ้นเวนกรรมต่อการเสียเถิดนะพญาช้างสารชาติก่อนนี้ข้ากับเจ้าคงจะมีกรรมผูกพันกันมาชาตินี้ขอให้สิ้นสุดกันเพียงแค่นี้ขอให้เจ้าไปเกิดในภูมิที่ดีกว่านี้กุศลใดๆก็ตามที่ข้าเคยทาไว ขอแผ่อุทิศไปให้แกเจ้าในโรคหน้าวิญญาณของเจ้านบัดนี้ร่องรอยอยู่ที่ใดจงมารับรู้ในคำขอมาและกุศลจิตของข้าด้วยกล่าวจบราชสกุลสาวก็ปนมมือขึ้นจบไหว้ซากนั้นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดก็ผ่าปรากฏขึ้นต่อหน้าของทุกคนในบัดนั้นซากของราชาแห่งช้างป่าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งยืนถมืนพิงผน้ำถ้ำไว้ด้านหนึ่ง และกลุ่มโคถหินงอกอีกด้านหนึ่งเริ่มเคลื่อนไหวน้อยๆแล้วค่อยๆซุดลงมาหมอบฟุบอยู่กับพื้นอย่างสงบราบคาบเป็นดุษณีตรงหน้าแทบเท้าของดารินทร์วราริศทั้งหมดที่นั่งภาพตอนอยู่ทะลึ่งพรวดขึ้นยืนเสียงชายยานร้องออกมาลั่นท่ำทุกคนขนลุกชันขึ้นทั้งตัวในปรากฏการอันปาฏิหารนั้นหญิงสาวเองแบบนี้ก็ยืนตะลึงตัวแข็งเย็นเฉียบไปทั้งล่างหล่อนมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมืออุ่นของใครคนหนึ่งรอยมาแตะที่แขนพอหันกลับมาก็เห็นพรานใหญ่ยืนอยู่ข้างๆกํากลังมองจับมาที่รอนด้วยแววตาขรึมกระซิบชัยชนะเป็นของคุณหญิงโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับไอ้แหว่งยอมรับคําคํามาและยอมล้มให้แก่คุณหญิงแล้วเรากลับกันได้แล้วครับหมดงานหนักในเรื่องนี้สบายใจกันได้เสียทีหญิงสาวถอนจะยาวอีกครั้งเอื้อมมือไปรูปไร้ที่ศรีรษะอันใหญ่โตมะหึมานั้นเป็นครั้งสุดท้าย แล้วกลับเข้ามารวมกลุ่มจัดเตรียมตัวที่จะเดินทางย้อนออกไปจากถ้ำว่าแต่เราจะจัดการยังไงกับซากของมันต่อไปนี่ชยันเปลยถามขึ้นมองไปยังซากนั้นด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกกลับแคม์รายงานให้คุณชายทราบสักก่อนเถอะครับถ้าไงแล้วก็ส่งคนมาเอางานทีหลังพรานใหญ่ตอบทันใดนั้นแง่ทาย ก, ก็ก้าเข้ามายืนอยู่ตรงหน้าของบุคคลทั้งสาม ในเงาสรัวของเวิ้งถ้ำใหญ่และเห็นใบหน้านั้นเป็นมันละเลื่อมอนุญาตไหมครับผมมีสิ่งที่จะบอกกับผู้กองและนายทั้งสองคนลพินชายยันและดาดินจ้องหนุ่มชาวดงพเนจรอย่างประหาใจก่อนที่พลาใหญ่หรือชั ย, ยันจะพูดเช่นไรนั่นเองดาดินก็ไปยักหน้าตอบมาโดยเร็วอนุญาตเธอมีอะไรหรือแง่ทายแง่าสายอึ้งไปอึดใจมองสบตาลพินนิ่ง ทำท่าเหมือนจะรังเลอะไรอยู่จนกระทั่งเขาพยักหน้ามาอีกคนว่าไปแง่ทรายฉันและนายทั้งสองกําลังรอฟังแกอยู่ผู้กองจะต้องไม่โกรธผมเอาละฉัับรองผู้กองเคยโกรธผมมาแล้วในเรื่องที่เก็บเรื่องด่านลับเชื่อมติดต่อระหว่างป่านอกกับผูกหมาหอ น, นิไว้โดยไม่บอกให้รู้จอมพรานยิ้มแยะจ้องแง่ทรายเขม็งอืมใช่ ฉันรับว่าอยากจะฆ่าแกเสียทีเดียวแหละในเรื่องนี้สีหน้าของแง่สายเฉยเมยดูลึกลับอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแล้วผู้กองไม่คิดจะถามผมหรือว่าเหตุใดผมจึงนิ่งเฉยเสียไม่บอกทางด่านลับนี้ให้มันเป็นการดีสําหรับแกแล้วแง่สายที่ฉันไม่ถามแกในเรื่องนี้ด้วผินพูดพร้อมกับผัวรอกร้าวๆในําคอมองไปทางชา ย, ยานและดาดิน แล้วต ว, วัดกลับมาที่หนุ่มชาวโดวงพเนจร อ, อีกครั้งถ้าไม่มีนายหญิงกับนายชายสองคนมาด้วยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างแกกับฉันจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับเรื่องด่านลับที่แกปกปิดไว้เป็นเวลานานนี่ฉันอยากจะลืมมันเสียแล้วนี่แกยังบังอาจมาลื้อฟื้นยั่วโทษาท์ฉันอีกนั่นหรือแง่าสายไม่สนใจคาพูดอย่างเดือดดานุนใจของเขาผู้กองต้องการจะถามผมไหมครับว่า มันเป็นเพราะอะไรเอาละไหนบอกมาซิมันเป็นเพราะอะไร